ยสพา น, นีกันกนตาเวลาหนึ่งทุ่มตงถึงเมืองพาราาสีพอดีเพนและได้ขึ้นรถมาออกไปตำบลสารานาบที่เรียกว่าป่ามะลึกกัทยวันเก่าเป็นสถานที่พระพุทธเจ้าแสดงธรรมจักโตรดพัะเ็ญจวัคคีทั้งห้าเป็นประผมเทศนาะอยู่ห่างจากเมืองพาราาสีไปประมาณแปดไม้เมื่อได้ไปถึงสถานที่นี้แล้วรู้สึกต่มรื่นเบิกบานใจ เป็นสถานที่ที่กว้างใหญ่ไพศาลมีพระเดีเกงาๆามีพระพุทธรูปตั้งไว้ในพิพิธภัณฑ์มากมายได้ไปอาศัยพักอยู่ที่นั่นหลายวันแล้วได้ออกเดินทางไปนมัส ก, การสถานที่ดับขันทัปปิณิภามของพระพุทธเจ้าที่เมืองกุสินาราบัดนี้เรียกว่ากาเซียบ้านเมืงเองแต่ก่อนกลายเป็นทุ่งนาไปหมดขณะนั่งรถยนต์ผ่านทุ่งใหญ่ และเห็นแต่ต้นข้าวสาลีเขียวชะอุ่มรู้สึกเย็นตาเย็นใจไปเห็นดกรากเก่าของวัดและสถานที่แบบคันพรินิพพานซึ่งได้ขุดพื้นฝูขึ้นมามีพระชจดีองค์หนึ่งตั้งต่างงานเป็นที่บรรจุพระบรมทาตของพระพุทธเจ้าแต่องค์ไม่ใหญ่โตเท่าที่สารนาวันลุ่งขึ้นได้เดินทางต่อไปนมัสการสถานที่ถวายประเพณีของพระพุทธเจ้า สถานที่นี้อยู่ห่างจากสถานที่ดับขันทประดิมิพานประมาณหนึ่งไม้แต่บัดนี้ได้กลายเป็นทุ่งนาไปหมดมีพัจจดีหักพังหรือตะอิดมีต้นไทรใหญ่เกิดขึ้นเกาะอยู่ที่พัจจดีพังมีทัพจีนรูปหนึ่งทำที่พักไหวบนต้นไทรและนั่งพวนาอยู่ที่นั้นถึงเวลาตอนเย็นก็เดินทางกลับที่พักทุ่งขึ้นเช้าฉันจังหงันแล้วขึ้นรถจนเดินทางกลับมา ขึ้นรถไฟกลับไปเมืองพาราณสีในระหว่างที่พักอยู่ได้ไปดูการล้างบาปด้ำรติพาม ล, ล, ามลิมฝั่งแม่น้ําคงคาซึ่งไหลายผ่านมาในบริเวณตลาดของเมืองพาราณสีดูเทือกเถาบ้านเมืองเก่าแก่พิลึกพิลัน่นได้ถามอาจารย์ผู้ศึกษาประวัติศาสตร์และภูมิศาสตร์เขาบอกว่าเป็นเวลอง้าง 5,000 ปีมาแล้วเมืองนี้ไม่เคยร้างยาสถานที่ตั้งเมือง ไปตามลำน้ำคงคาเสมอแม่ น, น้ำนี้ก็ถือว่าศักดิ์สิทธิ์เพราะไหลมาจากยอดเขาอิมารายใครได้อาบตามเทศกาลเขาถือว่าเป็นการล้างบาปสมัยครั้งก่อนคนที่ป่วยหนักใกล้จะตายเขาก็หามไปวางไว้ริมฝั่งแม่น้ำพอใจขาดก็ผักศพเร้งลงไปในน้ำใครทําได้จะห น, นี้ถือว่าได้บุญมากตายไปไม่ตกนรกถ้าใครไม่สามารถทําเช่นนี้ได้ ก็นำกระดูกมาทิง้งปัจจุบันนี้อาทิีช น, นีได้หายไปยังมีเหลืออยู่แต่รับที่นิยมอาบน้ำล้างบาปเมื่อถึงฤดูเทศกาลของเขาคือเดือนยี่กลางเดือนถือเป็นวันสำคัญวันหนึ่งถ้าเราไปดูจะเห็นคนแต่งตัวสวยๆมีผ้าโพกซีทร์เดินไปมาเป็นกลุ่มก้อนแถวแนวมากมายแทบไม่มีทางหลีกแล้วพากันลงไปไว้พระตามริมตลิง่ง บางแห่งก็มีโบสถ์ของขามก่อนจะลงอาบน้ำต้องทำพิธีว่ว้จับสิวะสกอนคือทานิมิตเครื่องหมายไว้สองชนิดมีของรับผู้หญิงและผู้ชายตั้งไว้กลางโบสถ์้ประมาณกระ้องฝัดข้าวผู้คนพากันเอาน้ำไปส่งเบบโธมโอยข้าตอกดอกไม้ได้เงินทองเสร็จแล้วก็ลงไปลิมตริ ง, ลงแลเห็นยืนกันเป็นแนวไปเห็นโยขีน้าบริกรรมโนดเข่ายารุงกัง าบางคนก็ไม่หนุ่งผานั่งบริการภาวนาอยู่ตามริมฝั่งน้ำํำหญิงชายที่จะไปอาบน้ําล้างบาปก็พากระดองเรือจนเต็มลําแล้วแจวเรือออกไปกลางแม่น้ําล่มเรือลงแล้วต่างคนต่างก็ดำน้ําผุดขึ้นฝั่งก็ถือว่าเป็นการล้างบาปได้ครั้งหนึ่งบางพวกก็เห็นชี้มือขึ้นบนฟ้าบางพูกก็ยืนขาเดียวบางพวกก็แหงหน้าดูตะวัน ถ้าจะพนานาถึงหน้าที่ทางทางเหล่านี้ยังมีอีกมากมายวันนั้นไปเที่ยวดูเสีจนคำ่ำพเวลาตอนเย็นก็กลับเข้าที่พักตามเคยบริเวณสาธารณะ น, านี้เป็นสถานที่ใหญ่โตกว้างขวางมากมีหน้าที่ประมาณห0 0รอยไร่เศษเป็นอย่างต่ำมีต้นไม้ขึ้นเป็น ย, มยม่ย่อมมีกติวิหารรกร้างมากมายมีคนไปนมัส ก, การพระพุทธรูปในวิหาร มีหารเหล่านี้ก่อด้วยหินทั้งสิ้นมีหญิงคนหนึ่งเกิดมีศรัทธาแรงกล้าได้มอบเงินให้ท่านธรรมปาละมาฟื้นฟูปลูกสร้างพุทธสมาคมหญิงคนนี้เป็นชาวฮาวาย ล, ลูกครึง่งฝลั่งในบริเวณนี้มีวัดอยู่สีวัดคือหนึ่งวัดอังกาวัดที่เป็นสาขาของสมาคมมหาโพเลขานุการของสมาคมเป็นพระ ทำหน้าที่เผยแผ่พระพุทธศาสนาทั่วโลกสองวัดพมา่าสามวัดจีนวัดนี้นายโอบุนโฮเจ้าของห้างขายาตาเสือเองอันตองเป็นผู้อุปการะพรที่วัดนี้มาจากพักกิ่งสวัดพรามวัดนี้ตั้งอยู่ใกล้ๆพระจดีของพระเจ้าอาโศกมหาลาชทรงสร้างไว้ ในลานี้ยอดหักพังลงมาเหลือสูงประมาณแปดวาสถานที่นี้ปรากฏว่าเคยมีพระพระมธาตุแต่บัดนี้ได้นำเอาไปไวท้ที่พิพิธภัณฑ์เมืองกันกะตาได้พักอาศัยที่ยวสำรวจดูบริเวณนี้อย่างถี่ถ้วนก็เชื่อมัน100่นร0อเปอร์เซนว่าพระพุทธเจ้าได้เคยทรงแสดงธรรมจักจริงสถานที่พระองค์ น, นั่งแสดงก็ปรากฏอยู่มีวิหารแห่งหนึ่งหักลาง จารึกชื่อผู้สร้างไว้ว่ามหาราชามีแทนหินแห่งหนึ่งขนาดโตประมาณครบต่ําข้าวสูงประมาณเจ็ดศอกหักออกไปทนข้อหนึ่งแล้วขณะนี้มีปรากฏอยู่ที่พิพิธภัณฑ์มีพระพุทธรูปสาคัญองค์หนึ่งมีศสนาจารึกว่าอโศกมหาราชาเป็นผู้สร้างหน้าตักกวามประมาณหนึ่งศอกคืบยาวๆมีความสูงตามส่วนของรูป สวยงามมากสร้างด้ยหินเมื่อได้สํารวจดูพอรู้เรื่องราวพอสมควรก็ได้เดินทางออกจากเมืองพราราณสีขับลงมาพุทธคยาที่เมืองพุทธคยานี้มีที่พักในเมืองแห่งหนึ่งเป็นสาขาของพุทธสมาคมพอลงจากรถไถฟแล้วก็ขึ้นรถม้าวิ่งไปตามถนนเมืองนี้เป็นเมืองที่ราบเื่นกว้างขวา ง, วางมีภูเขาดินเป็นเนินสูงมีแม่น้ําใหญ่สายหนึ่ง ชื่อเนรันทราแต่ตื้นเขินมีน้ําตลอดปีแม้ในฤดูดแล้งก็มีน้ําไหลา่านอยู่เสมอตรงกลางเมืองเป็นสันเนินที่กลางสันเนินนี้เป็นสถานที่ที่พระพุทธเจ้าได้เคยไปประทับเรียกว่านิโครธรามและมีเทือกแาวบ้านของนางสุจดาอยู่ในแถวนี้ต่อจากนั้นไปเป็นแม่น้ําอโนมาแม่น้ํานี้กว้างใหญ่เต็มไปด้วยทราย แงได้รูแรงเวลาน้ำแพงและดูเหมือนทะเลสายมีน้ำไหลนิดนิดเดินทางวกกลับคืนข้ามในน้ำในรัญชด า, ามาได้สักหน่อยก็ถึงพิจดีแห่งหนึ่งมีต้นทองกว้าวขึ้นอยู่เป็นกลมๆที่ตรงนี้เรียกว่ามุจจรินคือสถานที่ประทับของพระพุทธเจ้าในสมัยกลางนาคตกในระหว่างบริเวณต้มโพที่พระองค์ตรัสรู้มีพระพุทธรูปแกะด้วยหิน มีพระจดีเก่าเล็กแกะด้วยหินมากมายมีเจ้ารทิตต่างๆภายนรัศ ก, การไม่ได้ขาดพักแรมอยู่ที่เมืองพุทธคยาพอสมควรก็ได้กลับมาเมืองกันกะตาพักอยู่ที่นารันทะสแควร์บูติสเทมเพิลในพักอยู่พอสมควรแล้วก็ได้รำลาเพื่อนฝูงที่สนิทสนมคุ้นเคยกันกลับลงเรือที่ท่าเมืองกันกะตาในเดือนมีนาคมพศ2 8 2 ปายปีในตอนนี้ไอมหาสงครามโรคครั้งที่สองกำลังครุกรุนใกล้จะถึงจุดระเบิดขึ้นทางประเทศเยอรมันด้วยแลเห็นเรือรบวิ่งอยู่ในมหาสมุทรอินเดียหลายลำได้มองเห็นเวลาเรือเล่นผ่านมานอนอยู่ในเรือกลางมหาสมุทรอินเดียสองคืนสามวันก็ถึงท่าเรือเมืองย่างกุง้งได้ขึ้นไะพักบนพระเดีชเวเดกองได้ไปเยี่ยมโยมที่เคยมีอุปการะ ได้พักอยู่พอสมควรแล้วก็ออกเดินทางกลับประเทศไทยโดยทางรถไฟสมัยนั้นเครื่องบินโดยสารยังไม่มีจึงต้องเดินทางกลับตามเส้นทางสายเดิมเมื่อมาถึงอำเภอแม่สอด ร, รู้สึกเหน็ดเหนื่อยในการเดินทางข้ามเขาจึงได้ติดต่อขอซื้อตั๋วโดยสารเครื่องบินที่อำเภอแม่สอดขึ้นเครื่อ ง, งบินจากอำเภอแม่สอดมาลงที่จังหวัดพิษณุโลกจับรถไฟจากจังหวัดพิษณุโลก ไปจังหวัดอุตรดิตถ์พักอยู่ที่วัดสัญญพงศ์ได้ไปเยี่ยมญาติโยมและสิทธิ์ล่าพอสมควรแล้วได้ออกเดินทางไปพักอยู่ที่พระแทน่นเจริญอาจเป็นเวลาพอสมควรแล้วก็ขึ้นรถไยกลับกรุงเทพพักที่วัดชาปทุมต่อจากนั้นได้เดินทางกลับไปจำพรรษาที่จังหวัดจันทบุรีอีกตามเคยได้จำพรรษาอยู่ในจังหวัดจันทบุรีเป็นเวลานา น, านถึง14บรรษา จนเกือบถือได้ว่าเป็นบ้านของตนเองปัจจุบันนี้มีสำนักที่ได้จัดตั้งขึ้นในจังหวัดจันทบุรีรวมทั้งทั้งสิ้น11สำนักคือ 1. วัดตาคลองกุ้งอเภอเมือง 2. วัดสายงามบ้านหนองบัวอเภอเมือง 3. วัดเ่าแกว้วอเภอเมือง 4. วัดเขาน้อยท่าฉลับ 5. วัดยางระคงอท่าใหม่ วัดเขาน้อยอเภอแหลมสิงห์เจวัดเขาน้ำหันอเภอทา่าใหม่ 8. วัดแหลมยางอเภอแหลมสิงห์เกวัดใหม่ตำงรงธรรมอเภอกลุง 10. วัดบ้านอีมังม่งอคลุงสิบเอ็ดสำนักสง ส, งสามแยกสถานีทดลองกษิจกรรมน้ำตกเขาสะบาสำนักเหล่านี้ได้มีพระประจำอยู่ทุกแห่ง ได้ตั้งเป็นวัาวร์แล้วก็มียังเป็นสำนักสองอยู่ก็มีก็มาปีพศ .2484 ได้เกิดสงครามอินโดจีนและมหาสงครามโลกครั้งที่สงในระหว่างสงครามได้ท่องเที่ยวไปในจังหวัดต่างๆวกไปเวียนมาอยู่ตลอดเวลาจนถึงพศ .2493 เมื่อสงครามโลกสงบลงแล้วก็นึกจะออกไปประเทศอินเดียอีกพอถึงเดือพฤศจิกายน ก็ได้เตรียมขอหนังสือเดินทางการไปประเทศอินเดียครั้งนี้ออกใจยุ่งยากเพราะสงครามเพิ่งสงบใหม่ๆพอเตรียมการทำหนังสือขออนุ ญ, ญาตก็ได้ถามโยกอุปถัมภ์และวายาวจากรคือคุณนอำนาจว่ามีมูลค่าปัจจัยอยู่เท่าไหร่ได้รับตอบว่ามีเจิบาทแต่จะต้องเสียค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทางประมาณ120บาทเมื่อเป็นอย่างนี้ญาติโยมที่ทราบเรื่อง ตางพากข้มาร้องทุกข์ห้ามไม่ให้ไปแต่ได้ตอบว่าฉันต้องไปโยมตอบว่ามีเงินเท่านี้ไปไม่ได้จึงได้ตอบว่าฉันไม่ได้ให้เงินไปฉันเอาตัวไปต่างหากเมื่อพูดจะนี้สานุษิตก็เข้าใจว่าเราต้องไปจริงต่างคนต่างช่วยกันบริจาคทรัพย์เป็นค่าพาหนะเดินทางอยู่มาวันหนึ่งพระญาลัดพีธรรมปะประคัน กับนายชำนานหรือประเสริฐได้เดินทางไปพักอยู่ที่วัตรเมื่อได้ทราบว่าเราจะเดินทางไปประเทศอินเดียจึงได้สนทนากันดังต่อไปนี้พญารัพีได้ตั้งปัญหาถามขึ้นสองข้อว่าหนึ่งท่านจะไปทำไมธรรมะมีกับตัวเราทุกคนสองท่านรู้จักภาษาของเขาหรือจึงได้ตอบว่าตมาแขกก็เป็นคนเมือนธรมาคนกับคน ไม่รู้จักภาษากันมีหรือในโลกนี้พญารถีจึงว่าท่านจะไปยังไงเงินของท่านมีพอไหมตอบว่าพอเสมอถ้าเงินท่านขาดท่านจะไปได้ยังไรเงินที่จะขาดไปนั้นมันก็คงขาดเหมือนผ้าหนุ่งขาดคือค่ อ, คอยๆขาดทีละช่องทีละตอนชั้นใดถ้าจะมาก็ชั้นนั้นก่อนเงินหมดจะไม่รู้อะไรบ้างหรือ ท่า น, นรู้จักภาษาฝรั่งไหมอาตมาอายุ40ปีถ้าไปเรียนภาษาฝรัง่งหรือภาษาแขกอาตมาเห็นว่าจะสามารถเรียนได้ดีกว่าลูกแขกหรือลูกฝรัง่งในที่สุดก็หมดโอกาสคุยกันและประยรพีได้พูดกันอีกว่าแกงพูดกับท่านเฉยๆ เ, เราจึงพูดว่าสำหรับอาตมาไม่ไดถือสาเจ้าคุณแต่ต้องพูดไปอย่างนี้แหละ ่อจากนั้นญาติโยมพระนินทางพากานบริจาคช่วยเป็นการเดินทางได้มูลค่าทั้งสิ้นประมาณหนึ่งหมื่นเศษจึงได้เดินทางจากจังหวัดเันยงปรีอมาพักอยู่ที่วัดบ ร, รมนิวาสได้ติดต่อสถานทูตขอวีซ่านังสอเดินทางก็ได้รับความสะดวกโดยการอนุเคราะห์ของสิทธิ์ฝ่ายตำรวจคือพันตำรวจเอกสุดจนวนการสถิตเป็นผู้จัดการช่วยเหลือ ส่วนการขอแลกเงินตาต่างประเทศแด้วิ่งเต้นชวยเหือกันเกือบไม่สําเร็จเพราะขณะนั้นราคาเงินปอนในตลาดมืดขึ้นสูงถึงปอนด์ละห้บาทแต่อัตราของทางราชการหนึ่งปอนต่อ35มสบ้าทการวิ่งเต้นขอแลกเงินตาต่างประเทศนี้รู้สึกว่ายุ่งยากมากเกือบจะหมดหวังจึงได้ตั้งอธิษฐานจิตว่าเราจะไปเยี่ยมเพื่อน และสถานที่ที่พระพุทธเจ้าประทับเราไปมาคราวก่อนยังไม่ชัดจึงอยากไปอีกครั้งหนึ่งได้ตั้งอธิษฐานว่าถ้าจะไปได้จริงในครั้งนี้ขอให้มีคนใดคนหนึ่งมาช่วยให้แลกเงินตาต่างประเทศได้สำเร็จหลังจากที่ได้ทำการอธิษฐานได้สวันนายบุญช่วยสุภาีได้โผล่หน้าขึ้นมาถามว่าท่านพ่อแลกเงินได้หรือยังครับ จึงตอบว่ายังไม่ได้นายบุญช่วยสุภสษีจึงตอบว่าผมจัดการเองจากนั้นเขาได้วิ่งเต้นติดต่ออยู่ประมาณหนึ่งอาทิตย์และไปติดต่อกับกระทรวงการคลังกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงมหาดไทยเขาได้หนังสือแนะนําจากเพื่อนฟงและหนังสือรับรองหนึ่งฉบับจากอดีตรัฐมนตรีเลี้ยงชายการสสจังหวัดอบุบขอนแธานี ซึ่งขณะนั้นดารงตาแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยไปติดต่อกับธนาคารชาติทรั้งแรกและติดต่อได้รับคําชี้แจงว่าไม่อยู่ในหลักเกณฑ์ที่จะอนุญาตให้แลกได้นายขุญช่วยจึงได้ปรึกษากับนายจรัสแตงน้อยและนายสมปองจันทรากูลซึ่งทํางานอยู่ที่ธนาคารชาติตกลงคนสุดท้ายได้มีสิทธิแลกเปลี่ยนเงินปอน ตามตาตรฐานราชการได้โด ย, ย่องไดจะรัดได้เสนอให้ความเห็นสนับสนุนว่าควให้แลกประบเป็นการเดินทางไปเยผยแพร่พระพุทธศาสนาในต่างประเทศซึ่งเป็นประโยชน์ส่วนรวมแก่ประเทศชาติและศาสนาจึงแลกเงินปอนได้ทั้งสิน้นข้ามร้อยแปดสิบปอนเมื่อแลกเงินตาต่างประเทศได้แล้วก็ได้ไปติดต่อขอบีซ่าหนังสือเดินทางทางด้านกระทรวงต่างประเทศก็มีในประชา โอสถานนลเป็นหัวหน้าแผนกออกหนังสือเดินทางได้ช่วยจัดการให้เป็นที่เรียบร้อยทุกอย่างตลอดจนกระทั่งการติดต่อกับเพื่อนที่อยู่ประจําในสถานทูตไทยในต่างประเทศแล้วได้ไปขอวีซ่าที่สถานเอกอัครราชทูตอังกฤษเป็นอันเรียบร้อยทุกอย่างในการออกเดินทางเดือนมกราคมปีศ2 4 9 3ได้ออกเดินทางจากประเทศไทยโดยเครื่องบิน นั่งปภาซึ่งเป็นศิษย์ทำงานอยู่บริษัทเรนราคาศไทยจำกัดได้ช่วยซื้อตั๋วให้ในราคาพิเศษได้ส่วนลดเกือบ50เปอร์เซ็น์เครื่องบินออกจากฐาอากาศยานดอนเมืองเวลาประมาณ8ปดนาฬิกาการเดินทางครั้งนี้มีพระภิกษุติดตามเป็นหนึ่งรูปชื่อพระสมุทรมีศิษย์หนึ่งคนชื่อนายธรรมนูญเวลาประมาณชันเพลนเครื่องบินก็ถึงสถานีการบินเมืองย่างกุ้ง มีเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครทูตไทยประจําประเทศพมา่ามาต้อนรับที่สนามบินคือมอมหลวงปิติพิมาลากุลนายสุ ป, ปันสวเวดมานและนายสนันเขาได้พาไปอยู่ในวิหารบนพระเจดีชเวดากองได้พักอยู่ในประเทศพม่าประมาณสิบห้าวันได้ไปเที่ยวดูสถานที่ต่างๆในเมืองย่างกุง้งตอนนี้ได้แลเห็นแต่ซากระเบิด ทางสถานที่ต่างๆสงครามขลันก็กําลังกําเริบอยู่ทางเมืองมันทะเลวันหนึ่งได้ออกในทางไปเมืองของสวัสดีเพื่อนมรสการพระพุทธรูปนอนใหญ่ในตำบลหนึ่งพบทหารพมาร่าซึ่งมารักษาการอยู่ในบริเวณนั้นคณะทะหารได้ให้ความสะดวกเวลาจะไปไหนมาไหนมีทหารติดตามไปด้วยสิบสองคนเวลาที่นอนพักในเวลากลางคืน เขาเฝ้ารักษาการให้ความปลอดภัยเป็นนอนอยู่บนพัชดีมุกเตาซึ่งมียอดหักเวลากลางคืนได้ยินแต่เสียงปืนดังสนั่นวันไวจึงถามทหารที่ไปด้วยว่ายิงอะไรกันเขาตอบว่ายิงคูคอมมิวนิสต์เวลาช้ามืดมีหญิงพม่าสองคนมาสนทนาด้วยก็จัท t าและนิมนต์ไปชันที่บ้านเมื่อได้เที่ยดูสถานที่ต่าง ในเมือ ง, งย่างกุ้งเสร็จแล้วก็ตัดเตรียมการเพื่อเดินทางต่อไปยังประเทศอินเดียระหว่างพักอยู่ในเมืองย่างกุ้งได้มีพระภิกษุไทยองค์หนึ่งบวชในพมา่าชื่อสายหยุดได้นําไปติดต่อแนะนําให้รู้จักกับเจ้าหนายพมา่าจึงพากันเข้าไปในวังเจาา้าพม่าองค์นี้เป็นลูกสาวของพระเจ้าทีบอก ร, รุงมันทะเลได้สนทนาเรื่องขนรรมรำเนียประเพณีของไทย ให้เจ้าแม่ฟังเจ้าแม่เล่าขนรทมเนียประเพณีของพมา่าให้เราฟังระหว่างกำลังสนทนาคันเจ้าแม่รับสั่งว่าฉันเป็นคนไทยเจ้าแม่องนี้อายุประมาณ77ทบเจันสาเป็นพระราชธิดาของพระเจ้าทีบอกูมังทะเลได้รับสั่งเป็นภาษาไทยว่าท่านชอบฉันขนมต้มไหมแต่ไม่อยากพูดกันยาวฟังเรื่องราวดูแล้ว พมา่าเห็นจะได้ตัวไปในสมัยกรุงศรีเอุธยาแตกท่านแมองค์นี้มีพระนามว่าสุธันตะจันทพเทวีได้รับสั่งขอความช่วยเหลืออย่างหนึ่งว่าเวลานี้ได้ได้ขาดไปหมดขอให้ท่านช่วยบ้างเราจึงตอบว่าไม่เป็นไรตาามาอาตมาจะช่วยที่เป็นอย่างนี้พระประเทศพมา่าได้เปลี่ยนแปลงคณะรัฐบาลใหม่ พระปรรมโวงสานุวงภรรมาที่เคยได้รับเงินเดือนถูกทัดหมดจึงไม่มีรายได้ใดๆขอให้ท่านสงสารเถิดเพราะเป็นคนไทยด้วยกันถ้าแนะนำให้จาทานเอกอักษรทูไทยช่วยได้บ้างก็จะดีเจ้าแม่ได้เล่าเรื่องให้ฟังและขอร้องดังกล่าวนี้ต่อมาจึงได้นำเรื่องเจ้าแม่อง์นี้ไปเล่าให้มอมหลวงอีกทิพมามรคุณฟัง ท่านคนนี้มีใจบุญใจกุศลมากทั้งผัวทั้งเมียขณะนั้นพ้าม่หิทธาดารงตําแหน่งเ อ, งเ อ, งอกก็จะทูตมอมหลวงปีกผิดได้พาเราไปพบสนทนากับพระมหิทธาเมื่อได้พบปากกันรู้สึกว่ามีความดีออกดีใจเหมือนญาติได้พบกันบรรดาคณะทูดทั้งหมดก็ได้ช่วเหลือทุกอย่างก่อนที่จะออกเดินทางไปประเทศอินเดียได้แนะนําให้ความสะดวกทั้งทางราชการและส่วนตัว ปลายเนมิถุนายนพศ .2494 ได้ออกเดินทางจากเมืองย่างกุง้งโดยทางเครื่องบินไปถึงสนามบินกัาตาประมาณสี่โมงเย็นกับตันเครื่องบินลํานี้เคยเป็นเพื่อนรักกันบัต น, นี้ได้ถึงแกิดคํากับเครื่องบินตกที่ฮ่องกงเม่ทัออกเดินทางเขาได้คุยว่าจะให้ขับแบบไหนสูงต่ำโลดพลุกก็ได้เขาได้บอกว่าจะพาขึ้นสูงถึงหนึ่งหมืฟิต ระหว่างเดินทางรู้สึกว่ามีคลื่นมากบริเวณภูเขาหิมไลัยอากาศหนาวจัดจนกระทั่งนั่งอยู่ที่ห้องกับตันไม่ได้ต้องกลับมานั่งที่เก้าอี้แล้วห่มผ้าเมื่อถึงสนามบินแล้ว่างคนก็ต่างไปเพราะคนขับมีสิทธิพิเศษไม่เหมือนคนในสารส่วนเราต้องถูกตรวจข้าวของตรวจโรคสำหรับการเข้าห้องมืดเขายกให้รับเป็นพิเศษ ในห้องมืดนี้ภายในห้องสว่างจา้าคนที่เข้าไปให้เจ้าหน้าทีโดด่โตดต้องแก้พาหมดแต่ครบอย่างดีมีแขกคนหนึ่งพอเห็นเท้าโผ้าไปในห้องใบหน้าก็ยิ้มแย้มใส่เราแสดงว่าเขาจะช่วยเราแขกคนนี้เป็นแขกสิสในที่สุดเขาก็ให้ความสะดวกข้าวขอไม่ต้องตรวจได้พักอยู่จนย่ำคำําจึงได้มีฝรั่งคนหนึ่งมาขอโทษ และบอกว่าเดี๋ยวรถของบริษัทจะมารับต่อมาอีกสักครู่หนึ่งก็ได้ขนข้าวของขึ้นรถจนวิ่งเข้าไปในเมืองกาตาหลายใหม่ได้ไปพักอยู่ที่สมาคมมหาโพขณะที่ไปถึงให้ขอนุ ก, การใหญ่ของสมาคมซึ่งเคยเป็นเพื่อนเก่าไม่อยู่ในความว่าเขานำพระบรมธาตุไปทำการฉลองที่เมืองหลวงแล้วเลยเดินทางไปกัสมีละ พวกขะที่อยู่ที่สมาคมได้จัดแจงให้ความสะดวกทุบการเพราะเราเป็นสมาชิกของสมาคมมาหลายปีเขาได้จัดให้ไปพักในตึกชั้นที่สามระหว่างที่พักอยู่ได้ไปติดต่อกับเจ้าหน้าที่ตำรวจเกี่ยวกับเรื่องหนังสือเดินทางอยู่หลายวันจึงเป็นที่เรียบร้อยได้พักอยู่ที่สมาคมมหาโพจนถึงเวลาจวนขพรรษาคิดว่าจะเดินทางไปประเทศลังกา ได้นำรับไปขึ้นเงินที่ธนาคารปรากฏว่าดาบับใบนี้ธนาคารที่ออกให้ไม่มีสาขาธนาคารในประเทศอินเดียธนาคารจึงไม่ยอมให้ขึ้นเงินเขาชี้แจงว่าต้องไปขึ้นเงินที่สาขาธนาคารกรุงลันดอนตอนนี้จะเกิดความยุ่งยากตดัวดูเงินที่รุกศิษ์เหลืออยู่ประมาณหนึ่งร้อยรูปีจะเดินทางไปไหนมาไหนก็ลำบากขณะเดยียวกัน มีเงินปอนติดตัวอยู่ถึงแปดร้อยพอนแต่ธานาคารอินเดียไม่ยอมรับเพราะกำลังเกียดชังอังกฤษไม่ต้องการใช้เงินปอนไม่ต้องการพูดภาษาอังกฤษเลยแต่จะจำเป็นจริงๆเราเลยต้องพลอยฟ้า พ, อ พ, อพลอยฝนลำบากกับเขาไปด้วยในที่สุดได้ตั้งใจสวดมนต์ภาวนาแล้วตั้งอธิษฐานว่าขอจงให้พระเจ้าได้รับความสะดวกในเรื่องที่เกี่ยวข้อเงินคราวนี้น อยู่มาวันหนึ่งเวลาประมาณบ่ายห้าโมงย็นมีคนคนหนึ่งชื่อนายถนับนาวานุเคราะห์เป็นทูตพณะนิตไทยได้มาเยี่ยมแล้วถามว่าท่านอาจารย์มีเงินใช้ไหมจึงตอบเขาไปว่ามีไม่พอเขาจึงได้ล้งกระเป๋าถาวารให้เป็นจํานวนสองพันรูปีเมื่อได้รับเงินรูปีเรียบร้อยแล้วในตอนเย็นวันนั้นเพื่อนคนที่เป็นเลขาธิการใหญ่ของสมาคมมหาโพก็ได้เดินทางกลับมา เขาได้นิมนต์ไปคุยที่ห้องพักแสดงความดีอกดีใจและสนทนากันเป็นภาษาบาลีเขาถามว่ามีเงินใช้พอไหมต้องการเท่าไรไม่ต้องเกลงใจเลือกได้ทุกเวลาได่ตอบขอบใจเขาเป็นภาษาอังกฤษว่าชังกิวปฏิมิเขาก็ยิ้มตอบตั้งแต่วันนั้นมาก็ได้รับความสบายใจทุกประการพอจูงเวลาพระารรษามีพระองค์หนึ่ง ซึ่งรักใคร่กันมากเป็นเจ้าหน้าที่อยู่ที่สารนาฏชื่อสังขบัตนะได้ชวนไปอยู่จำพรรษาที่นู่นจึงได้ตอบตกลงไปกับท่านวันรุงขึ้นท่านได้ออกเดินทางไปก่อนถึงวันสิบสี่ค่ำเดือนแปดเราจึงได้ออกเดินทางตามไปพอดีเพนวันสิบห้าค่ำก็ถึงวัดเพื่อนโงงได้จัดที่พักให้ตึกดังใหญ่มีสี่สิบห้องอยู่กันห้องละคน แล้วได้อยู่จับมบันศาที่สารานานี้ในระหว่างจับมบันซาได้รับความสะดวกสบายเพื่อนที่รู้จักกันเมื่อมาครั้งก่อนก็ยังอยู่การขบฉันก็สะดวกคือในเวลาเช้าเขาได้นำนมโอวนตินโรตีสามสี่แผ่นมาส่งให้ถึงที่ทุกวันฉันเท่านี้ก็รู้สึกอิ่มแต่พอสายหน่อยเขาก็ให้ฉันข้าวสวยแกงถั่วแกงนาไม่มีเนื้อสัตว์ ทันจีบางวันก็มีอาหารข้าวระหว่างอยู่จำศันสามีการสวดมนต์เย็นเสร็จแล้วไปนในมรสการพระเดีองค์ใหญ่ยอดทนะักอยู่เหนือวิหารบางวันก็ไปเที่ยวเมืองพารานสีไปเที่ยวดูสถานที่ของพวกพรามณวัดิเบกวัดพมา่าวัดฮินดูวัดลังกาจ น, จนเวลาอมนต์สาเดือนาย สวดหมดแล้วขึ้นไปนั่งพักอยู่หนวิหารคนเดียวการสวดมนต์ก็สวหดสวหมือนพระไทยแต่เร็วที่สุดวันที่นั่งพักอยู่หนวิหารเปนเวลากลางคืนเดือนายได้นั่งสมาธิเพ่งมองดูยอดพระชจดีย์นึกถึงพระเจ้าอโศกมหาราศว่ามีบุญคุณมากต่อพระาศาสนามองเพ่งไปนานๆเกิดแสงสว่างวูบวาบกระจายตามต้นไม้และพระชจดีย์นึกในใจว่า พระบรมธาตุของพระพุทธเจ้าคงมีจริงยิ่ยมาวันหนึ่งเวลาจุดออกพรรษาเจ้าหน้าที่พุทธสมคมได้มานิมนต์พระบรมธาตุและพระอาทาอิตธาตุคงพระโมคคัลลาและพระสารีบุตรซึ่งขง้าราชการได้นำไปสมโภธิที่กรุงนิวเดนฮีและได้นําส่งกลับมาโดยเครื่องบินจึงได้พากันไปทําการต้อนรับที่สนามบิน เครื่องบินถึงสนามบินระลาประมาณ11นาฬิกาเศษเมื่อเครื่องบินจอดเรียบร้อยแล้วเขาได้ให้เราเข้าไปรับพระดีทองเรื่ององค์เล็กๆซึ่งเป็นที่บรรจุพระธาตัพระโมคัลานะและพระสารีบุตรจึงได้นำมาถึงพุทธสมาคมแต่ไม่ได้ขอเขาดูเพราะใจรู้สึกเฉยเฉยพอจากนั้นเขาได้จัดส่งพระธาตนั้นไปรักษาไว้ที่สานักงานเมืองไกนตา เป็นอันว่าเราไม่มีโอกาสไปเห็นพอออกพรษ า, าแล้วก็ได้รับจดหมายโดนบ้างธรรมดาบ้างซึ่งส่งไปจากประเทศไทยและประเทศหมาม่ามีใจความในจดหมายว่าขอให้เรากลับไปเมืองจ้งกุ้งโดยโวนเพราะจ้าแม่สุทัตนตะจันทัศวีได้รับเงินเดือนแล้วดีอกดีใจลูกชายและลูกสาวของท่านได้จักชวนเพื่อนฝูง จะสร้างวัดถวายที่เมืองย่างกุ้งขอให้รีบมาจัดการเมื่อได้ทราบดังนั้นถึงได้รีบเดินทางกลับเมือง ก, กบบาตาร์เมื่อมาถึงแล้วได้เตรียวมวีซา่าพาสปอร์ตกับเมืองย่างกุ้งวันที่ไปถึงเมืองยางกุ้งคณะกรรมการสร้างวัดได้พากลับไปรับที่สนามบินและก็พาไปวังเจ้าแม่ในวันนั้นดั้นที่นั้นมีกรรมการนั่งประชุมกันอยู่ประมาณ30มสิบคน คณะกรรมการประกอบด้วยบุคคลที่เป็นเจ้านายข้าราชการพ่อค้าข้าพดีไม่มาประชุมหารือกันจะซื้อที่ดินถวายให้สร้างวัดที่ดินที่จะซื้อมีลักษณะเป็นเนินเขาดินสูงๆมีเนื้อที่ประมาณ9เอเคอร์เจ้าของจะขายในราคาราวสาม0 0ื่นรูปีเมื่อได้ทราบโครงการเจ้อแล้วก็ได้กลับไปพักอยู่ที่พัตดีตามเคย ต่อมาได้นำความเรื่องนี้ไปหารือเอกอังเจ้าทูตไทยตอนนั้นพระมหิดดาได้ย้ายไปประจำประเทศอื่นแล้วคงเหลืออยู่แต่มอมหลวงปีกทิพม า, ากุดลดารงตาแหน่งแทนจึงได้นําเรื่องนี้มหาหาฤาอมหลวงปีกทิพกล่าวว่าเรื่องจะหนีถ้าทําเป็นทางราชการได้จะดีมากทางทูตจะได้ช่วยเหลือได้เต็มที่ความเห็นทั้งฝ่ายคณะกรรมการก็อยากให้ทําไทยได้ช่วยเหลือ เรามีความประสงค์จะสร้างวัดให้เป็นแบบไทยทุกอย่างประธานกรรมการเป็นคนแก่อายุมากเป็นที่เกรงขามของคนในสมัยก่อนเพราะในอดีตเคยเป็นนักการเมืองสําคัญคนหนึ่งของพมา่าอายุประมาณเจสิบปีเป็นอาจารย์ของตะขิ น, นุนายยกลตมนตรีของพมา่าในเรื่องนี้เราเองก็นึกว่าคงสําเร็จได้ไปติดต่อกับคนไทยซึ่งอยู่ในเมืองย่างกุ้งหลายสิบคน ทางคนต่างพากันดี อ, อกดีใจอยูต่อมาไม่นานก็ได้รับจดหมายจากกรุงเทพบ่อยๆได้ทราบข่าวเรื่องมิสูดีบางเรื่องเกี่ยวถึงนายบุญช่วยสุภสษีจึงได้คิดกลับประเทศไทยเพื่อที่จะได้มาติดต่อกับคณะอุตาหรมไทยและคณะสงไทยให้ทราบเรื่องด้วยเลื่อนธันวาคมพศ .2494 ได้โดยสารเครื่องบินจากสนามบินย่างกุ้งถึงกรุงเทพ ตอนนี้พระที่ได้ติดตามไปได้กลับมาก่อนหลายวันได้มาพักอยู่กับสมเด็จพระมหาวีระวงศ์อ้วนที่วัดบรมนิวาสและได้นําเรื่องการสร้างวัดที่เมืองย่างกุ้งกราวเรียนสมเด็จสมเด็จได้ตึกตองอยู่เป็นเวลาหลายวันเกือบเกือบจะได้รับอนุญาตให้เดินทางไปประเทศพมา่าอีกก็ประเออมีเรื่องบางอย่างแทรกซึมเข้ามาคือมีพระสงฆ์บางรูปไม่ได้รั่งข่าวว่าจะตั้งวัดขึ้นในเมืองยางกุง้ง ก็ได้แสดงตัวติดต่อเป็นเจ้กจากิจ้าการเขาแสดงความหมายว่าพระอาจารย์ลีทําให้สําเร็จนอกจากเขาเรื่องนี้ทํางเมืองย่างกุงได้มีจดหมายมาบอกข่าอย่างนี้เขาจะรู้ได้อย่างไรไม่ทราบพระองค์ที่แสดงตัวเป็นเจ้า่ิจา ก, การนี้เป็นพระเถระชั้นผู้ใหญ่ทรงสมณศสักซึ่งอยู่ในพระนคร น, นี้เอกเมื่อได้รับทราบเรื่องราวจะหนี้ เราก็ปล่อยมือไม่เกี่ยวข้องโดยได้มีจดหมายไปถึงเอกอักเสชาทูไทยประจําประเทศพมา่าขอถอนเรื่องนี้ในที่สุดเรื่องนี้เป็นอันยุติกันไปจนมาถึงทุกวันนี้ก็ไม่เห็นมีใครไปก่อสร้างขึ้นเมื่อเหตุการณ์ได้เป็นไปดังที่ได้กล่าวมาแล้วจึงได้ออกเดินทางจากวัดรบรมนิวาสกลับไปเยี่ยมญาติยมที่จังหวัดจันทบุรีระหว่างนี้ได้มีคนบางจําพวก ซึ่งอิจฉาวลิเยายพจบาทเราได้หาเรื่องทำราชื่อเสียงเกียรติคุณทุกวิธีทางมีอยู่มากมายหลายคนแต่จักไม่กอกล่าวชีตัวเพราะถือเสวาคนเหล่านั้นเป็นผู้ช่วยสร้างความดีให้แก่เราเรายิ่งมีมณะสูงขึ้นทุกทีทุกทีอยู่มาจนจะกับปัญหาก็าได้เดินทางจากจังหวัดจันทบุรีกลับมาพักอยู่ที่วัดบรมในวัทตามเคย และได้เดินทางออกไปอบรมญาติโยมที่วัชนิหาจังหวัดนคนปรปฐมต่อจากนั้นได้ไปพักอยู่ที่วัดประชุมนารีจังหวัดราชบุรีที่วัด น, นี้มีเจ้าจอมทรัพย์วัฒนาเป็นประธานได้ไปนิมนนมาแต่ไปพักอยู่ที่วัดนี้หลายวันไห้มีเหตุการณ์แปลกๆเกิดขึ้นรลายอยเช้าวันหนึ่งมีหญิงคนหนึ่งอายุประมาณ20ปี ได้เขานั่งอยู่หน้าธรรมาสสักคู่ก็เกิดอาการชักจึงได้ทำน้ำมนต์ลดให้ไล่เลียงถามดูได้ความว่ามีปีศาจตัวหนึ่งเป็นผู้ชายได้ถูกฆ่าตายโหงได้อาศัยอยู่ในบริเวณนี้แล้วได้เข้าสิงค น, นจนเกิดมีโรคขึ้นในตัวเป็นปุ่มแผ้โตท่าในี้หัวไม่มือพอทราบเรื่องราวอย่างนี้เราก็ไม่มียาอะไรเวลานั้นกาลังนั่งฉันมากอยู่ จึงเอาชาญหมากสร้างไปให้เขากินอาการที่เป็นป่มแผลในตูวก็หายไปแต่ปรากฏเหตุการณ์อย่างนี้ถึงสามครั้งและมีคนเห็นอยู่หลายคนด้วยกันดูมาวันหนึ่งจนชวนจะออกเดินทางมีหญิงคนหนึ่งชื่อนางสมนหลานสาวนางอิทที่อยู่กรุงเทพเคยบวชเป็นชีซึ่งออกไปมีสามีอยู่ที่ราชบุรีอายุประมาณสีสิปี สามีเป็นอดีตผู้พากสามีบุตรชายหนึ่งคนอายุสิบห้าปีคนคนนี้นับเธอเรามากไปคราวไหนก็ไปหาทุกทีวันนั้นเวลาประมาณห้าโมงเย็นนางสมรได้นำดอกไม้ทุกเทียนไปถวายจึงได้พูดถามขึ้นคำหนึ่งว่าแม่สมรต้องการอะไรเขาตอบว่ า, าจะมาขอลูกจากหลวงพ่อเจ้าของเองได้ยินแล้ว รู้สึกใจไม่ค่อยดีเพราะมีคนน้อยและแกก็พูดเบาๆเสียด้วยเลยพูดออกมาว่าอย่าพึ่งพูดกันเพราะนึกคิดไปถึงเหตุการณ์ข้างหน้าว่าถ้าเกิดมีความจริงขึ้นเราก็แย่ฉนั้นเรื่องนี้จึงขอเปิดเผยความจริงให้ทราบทุกันว่าเป็นอย่างไรถึงเวลาประมาณหนึ่งทุ่มเศษได้มีญาติโยมมาประชุมกันบนาลาประมาณหนึ่งร้อยคนเศษ แม่มอนมานั่งอยู่ใกล้ๆข้างธรรมะพอให้ศีลแสดงธรรมอบรมเยียใจเพื่อสร้างบุญสร้างกุศลสร้างบารมีเสร็จแล้วแม่สมอนก็พูดขึ้นดนังๆว่าอะไรๆฉันไม่อยากได้ทางนั้นฉันอยากได้แต่ลูกจะขอลูกจากหลวงพอ่อเราจึงพูดกับแกว่าไม่เป็นไรหลวงพ่อจะให